แม้จะมีาศาสนาอยู่หลายาศาสนาเหมือนกันในโลกที่พยายามวางหลักคำสอนให้มนุษย์กระทบเปลือกออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะกระเทะได้ให้มนุษย์มีจุดนัดพบกันที่ศิลธรรมให้ถือศิลธรรมเป็นมาตรการวัดความสูงความต่ําของมนุษ ย, ย์แต่มีบุคคลอยู่ไม่น้อยพากันเพิกเฉยต่อคาสอนอันนั้นเสีย